สาสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้บ้างไหมแม้อารมณปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิจารณเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคําสอนสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลาอาศาัยสภาวธรรมที่เป็นกุศ ล, พ, ศลพึงเกิดขึ้นเพราะอธิ ป, ปติปัจจัยได้บ้างไหมละถึงเพราะอนันตระปัจจัย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 เรวิปยุตตาปัจจัยเพราะอัติปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมสามสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเ ก, เกิดขึ้นเพราะอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิพึงเกิดขึ้นและถึงสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิพึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิพึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป e. ็น anyway. อกุศลและที่เป็นอภยากฤิพึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชตะปัจจัยได้บ้างไหมแม้อวิคชตะปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิดารเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคำสอนเอกะมูลกะในจกทุโมูลกะในเป็นต้น เหตุุมูลกะในสาสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยได้บ้างไหมละถึงสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณะปัจจัยได้บ้างไหมสามสิบหก สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศ enfin like <daylight> ัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยเพราะเหตุตุปัจเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะเหตุตุปัจเพราะอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมทุโมลกะในจบสาสิเจดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล พึงเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัย da, th birth, ได้บ้างไหม ant, ละถึง Arri prayers, aj, дорог, เพราะเหตุต <พอ S 1> ุปัจเพราะอารามณปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะเหตุตุปัจเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัยได้บ้างไหมติมูลกะในจบ 38. สามสิบปดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล พึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยได้บ้างไหมละถึงเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมจะตุโมลกระในจบท่านได้ย่อปัญจะโมลกระในเป็นต้นไว้แล้วผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกระในทุโมลกระใน ติมมลกะในจะตุมูลกะในปัญจะโมลกะใ น, ะในสัพพะโมลกะในของบทแต่ละบทให้พิดารเหตุมูลกะในจบอารามณะมลกะในเป็นต้นสามสิบเก้า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 เพราะสหชาติปัจจัยเพราะอัญญามัญญปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยได้บ้างไหมทุโมลกะในจกสี่สิสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล พึงเกิดขึ้นเพราะอาวิชตาปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิชตาปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิชตาปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะอวิชตาปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะเวชชาปัจจัยได้บ้างไหม41สภาวะธรรมที่เป็นกุศล มาสายสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิชตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยเพราะวิชตาปัจจัยได้บ้างไหมผู้รู้พึงอธิบายเอขโมลกะในทุโมลกะในติโมลกะใน จตุโมลกะในปัญจมูลกะในสัพพะโลกะในของบทแต่ละบทให้พิสดารอนุโลมมีในาอันลึกซึง6ประการคือ 1. ติสกะปัะฐาน 2. ทุกกะปะฐาน 3. ทุกกติสกะปัะฐาน 4. ติสกะทุกกะปะฐาน 5. ติสกะติสกะปัะฐาน 6. ทุกกะทุกกะปะฐาน แต่ละปัฐานประเสริฐสูงสุดสองปัจจยะปัจจนิยะสี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมพึ่งอธิบายนเหตุปัจจัยแม้ในปัจญจิยะให้พิจารณาเหมือนเหตุปัจจัยในอนุโลมสี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะณอารมาณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมณันตระปัจจัยเพราะณสหชาตปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณนิสยปัจจัยเพราะณอุปนิสยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตตปัจจัยเพราะณอาสวณปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัย เพราะณวิปากปัจ <recur> จ <rence> <DJ> ัยเพราะอาหาระปัจัยเพราะณอินทรียะปัจจัยเพราะณชาณะปัจจัยเพราะณมรรคปัจัยเพราะณสัมปยุตตปัจัยเพราะณวิปยุตตปัจจัยเพราะโนอธิปัจัยเพราะโนณติปัจัยเพราะโนวิคตะปัจัยเพราะโนอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมสีสสสภาวะธรรมที่เป็นภุษล อาศัสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะน้เหตุปัจจัยเพราะน้อารมณปัจจัยได้บ้างไหมแม้ในปัจจนียะผู้รู้พึงอธิบายเอากามูลกะในทุโมลกะในเตมูลกะในจะตุมูลกะใ น, จ, ะในจนถึงเตวิสติมูลกะในของบทแต่ละบทให้พิจารณเหมือนในอนุโลมปัจจนียะมีในอนุลึกซึ้ง6ประการคือ หติกกะปะฐานสองทุกกะปะฐานสทุกกะติกะปะฐาน 4. ติกกะทุกกะปะฐานหติกกะติกะปะฐาน 6. ทุกกะทุกกะปะฐานแต่ละปะฐานประเสริฐสูงสุด 3. ปัจญานุโลมปัจนียะสี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล พึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารามณปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารามณปัจจัยได้บ้างไหม <c: stellar> tragic, แม้ในอนุโลมปัจจ尼ยะผู้รู้พึงอธิบายบทให้พิจารเหมือนกับเหตุ ป, ปัจจัยในอนุโลม 46. สีสิหสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เพิ pre ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจเพราะณอาิปติปัจใจได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจใจเพราะอนันตระปัจใจเพราะเหตุปัจใจเพราะโนอวิคตะปัจใจได้บ้างไหมสี่สิเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจเพราะอารมณะปัจใจเพราะณอธิปติปัจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจัยเพราะอารมณปัจัย เพราะนะาอนันตระปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะโนโอวิคตปะปัจจัยได้บ้างไหมและถึงเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะนาอนันตรปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะโนอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัย เพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยเพราะณสมณันตระปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยเพราะโนอวิคตาปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตตปัจจัย เพราะัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสยาปัจจัยเพราะอุปนิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตาปัจจัยเพราะปัจฉาชาตาปัจจัยเพราะอาศัยวนปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมคระปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตะปัจจัย เพราะอัติปัจจัยเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะโนอวิคตาปัจจัยได้บ้างไหมสี่สิบแปสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัยเพราะนัเหตุปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัย เพราะนอารามณปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะนอธิปติปัจจัย เพราะอวิคตะปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณะตัจัยเพราะโนวิชตาตัจัยได้บ้างไหมเพราะอวิชตาตัจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตระตัจัยเพราะสหชาติตัจัยเพราะโนวิคตาตัจัยได้บ้างไหมอนุโลมปัจญิยะ มีนายอันลึกซึ้งหประการคือหนึ่งติดกะปะานสองทุ ก, ก, ะกระปะฐานสทุกรติดกะปะฐานสติดกะทุกระปะฐานหติดกะติดกะปะฐาน 6. ทุกระทุกระปะฐานแต่ละปะฐานประเสริฐสูงสุด 4. ปัจยปัจญยานุโลม4ี่สิบสภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพนราะในเหตุปัจจยัยเพราะอารมณะปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะในเนหตุปัจจยัยเพราะอธิปติปัจจยัยละถึงเพราะในเหตุปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมห้าสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เพิ่งเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยเพราะนะยอรามณะปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมละถึงเพราะนะเหตุปัจจัยเพราะนะยอรามณะปัจจัยเพราะนะอธิปติปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยได้บ้างไหมเพราะนะเหตุปัจจัยเพราะนะยอรามณะปัจจัยเพราะนอธิปติปัจจัยเพราะนอนันตระปัจจัย เพราะเนสัมมณันตรปัจจัยเพราะโนอัิปัจจัยเพราะโนนัติปัจจัยเพราะโนวิคตาปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัยได้บ้างไหมห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเนอรัมมณปัจจัยเพราะเหตุตุปัจจัยได้บ้างไหมห้าสิบสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้น เพราะนอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยเพราะอวิคัตตปัจจัยเพราะโนอวิคัตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนอวิคัตปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะโนอวิคัตตปัจจัยเพราะวิคัตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะโนอวิคัตปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอารามณะปัจจัย เพราะโนอวิคตะปัจจัยเพราะนเหตุปัจใจเพราะวิคตาปัจจัยได้บ้างไหมเพราะโนอวิคตาปัจจัยเพราะนเหตุปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยเพราะนอธิปติปัจจัยเพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนธิปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยได้บ้างไหมปัจจ尼ญานุโลมมีในอันเลิศซึ่งหกประการคือหนึ่งเตกะปัถาน สทุกกะปะฐาน 3. ทุกกติกะปะทาน 4. ติษกะทุกกะปะฐาน 5. ติกกะติกะปะทา น, ททาน 6. ทุกกะทุกกะปะฐานแต่ละประฐานประเสริฐสูงสุดปัญญติวาระจบปัจจัย23ในนิเทศวาระจบ หนติกะหึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระอนุโลมเหตุปัจจัยห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเลขแก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ท uh, yes, ี่เป <tır> ็นอกุศลเกิดข si ึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้น ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุูปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอภยากตะวิบากและที่เป็นอภยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุทฐานรูป อาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตรารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและกตัตรารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกระตัตรารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้น มหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุูปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศล และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารามะนปัจจัย5สิบสสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามะนปัจจัยได้แก่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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยกตะวิบากและที่เป็นอพยกตะปริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยกตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขัน 3, สามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต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 เพราะอ RIGHT. ธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปติป oh. ัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและอภยยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น มหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ ller, ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานนรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภุสณและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป <sh Hir |startoftranscript|> ็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัยเหมือนกับอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัย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 อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นพระสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอพยกตะปริยาเกิดขึ้น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 ขันอาศัยหัตถยวัตุเกิดขึ้นมหาพูตรูปสามอาศัยมหาพูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาพูตรูปหนึ่งอาศัยมหาพูตรูปสามเกิดขึ้นมหาพูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปและกตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นมหาพูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น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 มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นประตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยได้แก่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 ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤะเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยกตกปริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและหาทายวัตถุ อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและหาทายวัตถุอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและหาทายวัตถุอาศัยขันสองเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาพูตรูปหนึ่งอาศัยมหาพูตรูปสามเกิดขึ้น มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกและถึงที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาศัยญญสัตยปรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นนิจยะปัจจัย ห้สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนิสยปัจจัยได้แก่ละถึงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลนิสยปัจจัยเหมือนกับสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยหกสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอุปนิสยปัจจัยได้แก่ละถึง อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลอุปาณิสยปัจจัยเหมือนกับอารมณปัจจัยปูเรชาตปัตจใจหกสิเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็น accordingly accordingly. ปกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะปูเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2,,,.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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ ah. ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอภยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยอาศัยวุณปัจจัยหกสิบสองสภาวธรรมที่เป็นกุศล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 ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤษตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยยากฤษตเกิดขึ้นเพราะอาศัยวนะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นการมปัจจัยหกสิบสามสภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่และถึงอาศ mm awesome <narrative>. ัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลละถึงมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอพยกตะวิบากและที่เป็นอพยกตกริยา ในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัลตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเราอาศัยสัตตพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัลตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น วิปากับปัจจัยหกสิบสสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอภยากตะวิบากเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะ ขันสามและกะตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากเกิดขึข้นขันหนึ่งและกะตัตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกตัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้น มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกะตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาหาระปัจจัยสิห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยได้แก่และถึงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจาดใจได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจาดใจได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปสาม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดข ta ึ้นจิตตสมุทฐานนรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิและถึงสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอินทริยปัจจัยหกสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอินทริยปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตสำหรับเราอสัญยสัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งอินทริยปัจจัยเหมือนกับกรร ม, มปัจจัยชานปัจจัยและมัคคะปัจใจหกสิบเจดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัย ชา <uer da> <ro> นะปัจจัยและมัคคะปัจจัยเหมือนกับเพตุปัจจัยสมประยุตตปัจใจหกสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะสำประยุตตะปัจจัยได้แก่อาใจขันหนึ่งที่เป็นกุศลสำปยุตตะปัจจัยเหมือนกับอารมณปัจจัยวิปยุตตะปัจใจหกสิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤดอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานในรูป อาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้น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 ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหาทะยวัตุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยากฤิต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 อาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานารูป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 ขันอาศัยหาทายวตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยะตัลตารูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยหาทายวตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตุเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตุอาศัยขันเก <The> ิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจใจเจ็ดสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปัจใจได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นย่อ นัตติปัจใจเหมือนกับสหชาตปัจจัยนัตติปัจจัยและวิคตาปัจใจเจ็ดสเอสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยนัตติปัจจัยและวิคตะปัจจัยเหมือนกับอารามณปัจจใจอวิคตะปัจใจเจ็ดสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้น เพราะอาวิคตะปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นอวิคตะปัจจัยเหมือนกับสหาชาตะปัจจัยผู้สาธยายเพื่อขยายปัจจัยี่สิบสามเหล่านี้ให้พิสดาร